ข้อความในบัชมนิกายมูลปานาตเนี่ยนะจุลาอสสปุรสูตรในข้อ479หน้า237กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในอังคชนบทมีนิคมของชาวอังคะาชื่อว่าอสสปุระก็คือ มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอะนะในตําบลของชาวอังคะก็คืออยู่ในแควนหนึ่งใกล้ๆกับแควนมคตณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายแล้วพิสูจนทั้งหลายก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคือพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมเนะี่ยพระองค์จะตรัสเรียกก่อนเหตุผลที่พระองค์ตรัสเรียกก่อนก็เพราะว่าจะได้ไม่ปล่อยจิตส่งจิตไปเรื่องอื่น หรือบางทีถ้าหากว่าพูดไปเลยเนี่ยนะผู้ที่เขากําลังฟังเนี่ยเขาจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าพระสูตรนี้มีเบื้องต้นเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นต้น น, นั้นก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนั้นพระองค์จะตรัสเรียกก่อนเหมือนกับว่ากําลังคุยเนี่ยนะคือเป็นการลักษณะพูดคุยกันฮนะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้พระองค์ก็ตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่า พวกคนทั้งหลายเนี่ยนะเขารู้จักพวกท่านทั้งหลายว่าเป็นสมณะใครๆเขาก็รู้จักว่าพวกเธอทั้งหลายหรือพวกท่านทั้งหลายนี้ว่าเป็นสมณะถึงท่านทั้งหลายถ้าหาว่ามีใครมาถามว่าพวกท่านเป็นอะไรกันท่านทั้งหลายก็จะปฏิญาณตัวว่าพวกเราเป็นสมณะใครก็พูดว่าพวกท่านเป็นสมณะตัวท่านเองท่านก็ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะ เมื่อท่านทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะและตัวท่านก็ปฏิญาณตัวบอกกล่าวว่าตัวเองนั้นเป็นสมณะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องศึกษาท่านจะต้องตั้งใจศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความเป็นสมณะตั้งใจไว้เลยเมื่อทุกคนตัวเองก็พูดว่าเป็นสมณะคนอื่นก็รู้จักว่าตัวนั้นเป็น สมณะท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สมควรแก่ความเป็นสมณะนั้นข้อปฏิบัติเหล่าใดที่สมควรแก่ข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นสมณะท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติในข้อปฏิบัติเหล่านั้นท่านก็จะได้เป็นสมณะเป็นสมณะสมชื่อและเป็นสมณะสมคำปฏิญญาตัวท่านเองมีชื่อว่าสมณะเมื่อท่านประพฤติข้อปฏิบัติที่ทาให้เป็นสมณะก็เหมาะสมแล้ว ไม่ใช่ได้แต่ชื่อไม่ใช่ชื่อเศรษฐีแต่ว่าตกยากเนี่ยนะชื่ อ, อบุญคำบุญชูแต่ว่าแม้มตกต่ำและเกินเป็นต้นคือฉันใดท่านชื่อว่าสมณะชื่อว่าผู้สงบระงับแต่ตรงกันข้ามกลับเป็นคนที่เดือดร้อนเนี่ยนะกลายเป็นคนที่เล่าร้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่มีข้อปฏิบัติเหล่าใดที่สมควรที่จะบอกได้เลยว่านี้เป็นสมณะนะนี่นี่สมมณะนะเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจะต้องใส่ใจนะมณสิการว่าข้อปฏิบัติเหล่าใดที่คู่ควรแก่ความเป็นสมณะท่านท่านจะต้องปฏิบัติในข้อปฏิบัติเหล่านั้นจึงจะสมชื่อสมคําปฏิญญาเอกต่อไปบอกว่าพวกเราเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควรความเป็นสมณะแล้วเนี่ยเมื่อบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการ ของทายกคือผู้ถวายเหล่าใดสการะที่เขามีอุปการะเกื้อหนุนของเขาเนี่ยก็จะมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่คือเมื่อท่านทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดราคาประปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะการที่ท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละ ที่เป็นเหตุให้เป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะเพราะว่าอุปการะสักการะปัจจสี่ที่เขาเอามาบูชาท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอนิสงส์มากอันนึ่งบัปรปชาของเราก็จะไม่เป็นหมันเนี่ยนะหมายความว่าการบวชของเราก็จะไม่เปล่าประโยชน์การบวชก็จะประกอบด้วยประโยชน์คือเมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะ ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมที่สร้างความเป็นสมณะเนี่ยสมชื่อด้วยอันหนึ่งอย่างที่สองผู้ที่มีอุปการะต่อท่านทั้งหลายเขาถวายปัจจัยสี่ต่อท่านทั้งหลายเขาเหล่านั้นจะได้บุญมากและสุดท้ายผลของการบวชของเธอเมื่อเธอบวชเข้ามาแล้วจะได้รับผลมากได้รับอานิสงส์มากทีนี้ข้อ อ, อย่างสูตรก่อนเนี่ยนะสูตรก่อ น, อนมหาอสระปุรสูตรนั้น จะเป็นสูตรที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะโดยลำดับเนี่ยนะจะกล่าวถึงลักษณะถึงข้อปฏิบัติของความเป็นสมณะเริ่มตั้งแต่อะไรมีหฮริโอต ป, ปะมีกายสมาจารที่บริสุทธิ์มีวจีสมาจารที่บริสุทธิ์มีมโนสมาจารที่บริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์มีอินทรีสังวรมีโภชเนมตัยุตามีชาคริยานุโยก แล้วก็ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะ อ, อ, อยู่ในที่อันสังัดเนี่ยนะกายาวิเวกเมื่อกายาวิเวกแล้วก็ได้จิตตวิเวกสงัดจากนิวรณทั้งหลายเนี่ยนะสงัดจากนิวรณทั้งหลายที่เปรียบเหมือนนี้เปรียบเหมือนอ า, าพาธเปรียบเหมือนถูกจองจาเปรียบเหมือนทาตเปรียบเหมือนทางกันดานแล้วก็ละนิวร์แล้วก็เจรญญิรญฌานปฐมฌานทุตยาาิยฌานตติยฌานจตุทาชฌาน เมื่อได้ฌานอันนั้นเป็นบาทก็น้อมไปเพื่ อ, ร ะ, อะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็เห็นอริยสัตว์ทั้งหลายทํานะทอาสวะให้สิ้นไปอันนั้นในสูตรก่อนเนี่ยนะคือมหาอสสปุรสูตรนั้นจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติโดยลําดับเพื่อให้สําเร็จเป็นพระอริยะพอมาสูตรนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้ปฏิเสธข้อปฏิบัตินะปฏิเสธการปฏิบัติผิ ด, ผด ว่าการปฏิบัติผิดผิดไม่ได้ทำให้เป็นสมณนได้เลยพราะในข้อ480พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ปฏิบัติปฏิปทาชอบเป็นอย่างไรนะนะสามมีจิตปฏิปทางปฏิปฏัโนโหติเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้มีอภิชา แปลว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งอภิชาคือความเพ่งเล็งพัสดุของผู้อื่นเนี่ยนะคือคือตกอยู่ภายใต้อํานาจความทะเยอทยานเนี่ยนะความทะเยอทยานความต้องการมีแต่ความอยากความหิวเนี่ยนะอภิชาคิดง่ายๆก็คือความหิวความกระหายที่มีแต่ความต้องการเนี่ยแล้วก็ยังละไอความหิวความกระหายความต้องการในใจไม่ได้ มีใจพยาบาทคิดล้ áng, ลางผลาญสัตว์ให้เสียหาย น, นะคิดสร้างแต่ความเบียดเบียนให้แก่ผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นยังละความพยาบาทในภายในเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มักโกรธนะนะมักโกรธเนี่ยมักเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีนะก็แปลว่าโกรธบ่อยๆเดี๋ยวก็โกรธแป๊บเดียวก็โกรธแป๊บเดียวก็โกรธเรื่องไม่เป็นเรื่องก็โกรธได้หมดเนี่ยนะ เรียกว่าเป็นคนมักโกรธและก็ยังลกความเป็นคนมักโกรธนั้นยังไม่ได้เป็นผู้มักถือโกรธถือโกรธก็แปลว่าผูกโกรธเนี่ยนะผูกใจเจ็บนิรว่าอาฆาตพยาบาทจองเวน จดจำและเกินเนี่ยในความชั่วของคนอื่นเขามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะกำหนดจดจำได้หมดความดีที่คนอื่นเขาทำไว้เนี่ยนะใหญ่โตเท่าภูเขาระลึกไม่ได้จำไม่ได้แต่ความชั่วของเขาทั้งหลายเล็กน้อยเนี่ ย, ยนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาระเป็นสําคัญกำหนดจดจำได้หมดเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ผูกโกรธยังละความผูกโกรธไม่ได้เป็นผู้ที่ลบหลู่คุณท่าน ละความลบหลู่แปลว่า ย, ยังละความลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่ก็หมายความว่าคนอื่นเขามีดีเนี่ยนะก็ทําให้ความไม่ดีนี่มันปรากฏเช่นเขาบอกว่าดีอย่างนี้บอกมันจะไปดีแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็คือจะเอาความเลวร้ายชั่วร้ายเป็นต้นมากลบมาเกลือกล่อนมาปิดมาบางังมาซ่อนเร้นซึ่งไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคุณงามความดีเมื่อไหลายคนที่มักลบหลู่ก็ ก็คือลบทิ้งะนะลบคุณงามความดีของเขาทิ้งไปหมดเมื่อคนอื่นเขาจัดการอะไรได้เรียบร้อยตัวเองก็ไปลบทิ้งสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นของเขาทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ที่คู่แข่งดี ย, นะยังละความเป็นคู่แข่งดีไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจมักริสยาเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็ทนไม่ได้เป็นผู้ที่มีความตระหนี่ทีเหนียวไม่ต้องการให้สิ่งของตนเป็นสาธารณะแก่ ของคนอื่นเนี่ยนะยังมีความตรนีอยู่ภายในเป็นผู้มักอวดตัวเนี่ยนะอวดตัวว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลเป็นต้นทั้งๆที่ไม่มีก็เป็นคนที่มีแต่ความโอ้อวดแล้วก็มีมายาปิดบังโทษตัวเองเนี่ยมีโทษคือความไม่มีศรัทธาโทษคือความเกียจคร้านโทษคือความหลงลืมสติโทษคือความไม่มีสมาธิโทษคือการไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ปิดบังซ่อนเร้น ซ่อนเรนว่าเออเนี่ยตัวเองนี่มีความเลวก็ปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรู้เนี่ยนะเรียกว่ายังปิดบังโทษคือมาอยาเอาไว้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่ชั่วช้าเลวร้ายปรารถนาในสิ่งที่ไม่ใช่สมณะปรารถนาไม่ใช่ความป ร, ปรารถนาของสมณะปรารถนาลาสการะชื่อเสียงสรรเสริญยศเป็นต้นที่ได้มาแบบผิดๆยังละความปรารถนาเหล่านั้นไม่ได้ เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดไม่มีกรรมสักต า, านะไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ผลบุญผลบาปไม่รู้คุณของพระตนะไตรปฏิเสธความรู้ความเห็นที่ถูกต้องปฏิเสธความรู้อริยสัจละความเห็นผิดยังไม่ได้เพราะยังละกิเลสไม่ได้อันหนึ่งก็คือยังละกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกวกกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้ง12 อ, อย่าง อ า, อานะอกุศลธรรมทั้งสิบสองอย่างนับตั้งแต่อภิชาพยาบาทเป็นคนมักโกรธผูกโกรธลบลูแข่งดีตีเอริสแข่งดีตีเสมอริษยาตรนีโออวดมีมายาปรารถนาด้วยใจที่เป็นบาปมีความเห็นผิดกิเลส อ, าอากุศลธรรมบาปประรรมความเศร้ามองเนี่ยเต็มหัวใจว่างั้น เพราะฉะนั้นสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้ที่มีอยู่ในใจก็เหมือนกับน้ําฝาดที่ย้อมอยู่ในใจเป็นเป็นน้าฝาดของความเป็นสมณนะไอคําว่าน้ําฝาดเนี่ยสมัยก่อนที่เขาย้อมผ้าบ่อยๆเนี่ยเขาเห็นชัดเลยว่าถ้าน้ําน้ําเหล่าใดที่เป็นเรียกกลุ่มน้ําย้อมผ้าน้ําเขี้ยวเปลือกใบไม้น้ําเคี้ยวเปลือกไม้น้ําเคี้ยวอของของที่มัน ฝ, ดฝาดเนี่ยนะของมันฝาดเนี่ยล้างออกไปยากยากฉันใด ไอ้อคุโสรธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนน้าฝาดที่อยู่ในใจใช้ดื่มกินก็ไม่ได้นะพอมันย้อมเข้าไปในใจทําให้ใจกลายเป็นเป็นใจที่มีพิษเนี่ยนะอกุศสรธรรมทั้ง12บองอคุศลที่เศร้ามองทั้ง12 อ, อย่างนี้เป็นเหตุให้สัตว์นี้เกิดในอบายเพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้สัตว์เกิดในที่ไม่เจริญอบายนี่แปลว่าความเสื่อมคือความไม่เจริญอบายนันเป็นชื่อของนรกเพราะไม่เจริญ เนะดรชานเป็นต้นก็ไม่เจริญพันเป็นเหตุให้ตกไปสู่โลกที่ไม่เจริญมีวิบากคือผลที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเพราะนั้นผู้ที่มีอกุศลทั้งสิบสองอย่างที่กล่าวไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่กล่าวว่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติชอบสมควรแก่ความเป็นสมณะมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณเครื่องแห่งความเป็นสมณะเลย เปรียบเหมือนอาวุธอย่างหนึ่งชื่อว่ามัตะชะเนี่ยนะอาวุธชนิดนี้มีคมสองข้างทั้งกำซาบด้วยยาพิษตัวอาวุธนี้ก็คมกลา้าเขาปิดคลุมหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสำหรับห่อฉันใดเราก็กล่าวบรประชาของพิษนี้ฉันนั้นเหมือนกันอาวุธที่มีพิษถ้าสมัยนี้ก็คือพวกตู้ระเบิดเคลื่อนที่น่แหละคิดง่ายๆวันเนี่ยนะ พวกระเบิดเคลื่อนที่อยู่ในใจเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดความชั่วร้ายออกมาเนี่ยนะเปรียบเหมือนรถขนยาพิษเนี่ยนะถ้ามันขนไปที่ใดถ้าหากว่ายาพิษเหล่านี้มันกระจัดกระจายหรือเหมือนกับระเบิดพวกจรวดอภิชีที่มันพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะสร้างความเสียหายฉันใดภิกษุเหล่าใดที่ประกอบด้วยความาชั่วร้ายบาปอกุโสลธรรมทั้งหลายทั้ง12อย่าง ที่มีอยู่ในใจคือประกอบด้วยอภิชาพยาบาทมักโกรธผูกโกรธลบลูตีสเสมอริษยาตรณีโอ้อวดมีมารยาปราถนาะด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นมิจฉาทิฐิพวกนี้ก็เหมือนกับมีดชื่อว่ามัตชะเนี่ยนะ